ดีแต่ป า, ากว่าสอนเขาอื่นมีดาดดึงเหลือลักนักไม่ไหวอบรมจนเองฝึกตนเองบ้างไหมสอนคนอื่นได้เราทำได้จริงจะดีกว่าดบัานี้คนใดรู้เรื่องอะไรก็เอาเรื่องนั้นมาสอนกันก็ดีก็ไม่สอนไปแต่จุดหมายปลายทางมันจุดเดียวกันคือจุดที่จะมาแก้ปัญหาตัวเองนี่สำคัญมาแก้ปัญหาตัวเองไม่ให้มีทุกข์แล้วกัได้ จะว่าศาสนาก็ได้จะว่าพุทธศาสนาก็ได้จะว่าไม่ไม่ใช่ศาสนาก็ได้ไม่เป็นพุทธศาสนามก็ได้พวกเรารู้เรารู้แล้วใครจะพูดอย่างไรก็ได้แต่เราเป็นคนเรียกว่าถือถือศาสนาพิการณแต่เรารู้หลักพุทธศาสนามาเพราะว่าเนี่ยไม่ใช่พุท ธ, ธศาสนาเนี่คิดเนะี่ยเราก็ไม่ต้อ ง, องนนกังวลเพราะเราทรงบ อ, อกแล้ว ทำโบราณเขาข่าวเขาเตือนกันเอาไว้ดูไม่ได้เพราะมันใหม่ไม่เป็นอันนีคำพูดบอกตรเย็นไม่ได้เพราะมันไม่รู้จักหยุดสงบไม่ได้เพราะมันนิ่งไม่เป็นด้วยมันมันเตาไม่เป็นย่มไม่ได้ก็ราะไม่มีอายคนไม่มีอายแล้วจะไปยิืมได้ทำไม มันก็โกรขึ้นหน้าบึ้งหน้าบู๊ขึ้นเขาว่าเราไม่สารพูดกับกโกขึ้นมาแล้วเขาไม่อยอมราบมันก็อยู่ไม่ได้ส่งไปได้วันนี้ถ้าเรารู้แล้วเขาว่าเราเป็นเป็นคนเดียวเขาเาคยถือศาสตร์กระทึมาไม่ใช่สารพูดหนึ่งก็ยิ้มได้เพราะเราเป็นพูดแล้วนี่ดังนั้นจึงวันนํามาเล่าให้พวกเราฟังเป็นพิธีงา่ายๆสร้นๆที่ถามอาจารย์วันนี้ไม่ใช่ถามอาจารย์มาถามวันนี้ก็เลยอันนั้นมันพูกแล้วที่ถึงพูด แต่เขาเรียนเขาจังลวนเขาเป็นห่วงเขาไม่เป็นห่วงาศาสนาก็ไม่ห่วงตัวเองบ้างมันก็เป็นคนลืมตัวอีกแล้วเป็นคนลืมตัวนี่ไม่ดีนคนประมาทคนลืมตัวนี่ก็เป็นคนประมาทเราพูดเก่งจ่ิง น, น้อยเพราะเขามีคนรู้มากพูดกันไปกันมาก็รลบเข้าใจเอมหมายถึงตัวคนทุกคนเป็นตัวศาสนา ตัวทุกคนจะเกิดาตัวพุทธศาสนาหมายถึงตัวทุกคนเอีกแ้วคือตัวสติตัวสมัณิตัวปัญญาของทุกตนนั่นแหละตัวสติทำไม่ต้องพูดถึงทำไมจึงไม่พูดถึงสติคนระลึกได้เอาของวางไว้ว่านี้ระลึกถึงอันนั้นไม่ใช่เป็นสติที่พระพุทธเจ้าสอนนี่เล่าใ้ทอันนั้นมันเป็นสติธรรมดาเนี่ยระลึกอันนั้นได้ระลึกอันนี้ได้เด็กๆระลึกได้ นอนแล้วแล้วยางพูนนอนแล้วทานอาหารได้วไปยังถามมันแล้ระลึกได้เด็อันนั้นสติคนระลึกได้อันนั้นไม่ใช่เกี่ยวข้องเรื่องสติระมาธรร ท, ทีนี้วันมา ท, ทําทีนี้ไม่ใช่สติอันนั้นสติเพระสัมผัสลึกผัสสะสิ่งที่กําลังรู้ไม่ต้องไประลึกอะไรกําลังรู้เราพิตารูุนี่ควมรู้สึกอันนั้นไม่ใช่ระลึกตาหน้าตาหลังไม่ใช่ระลึกไปเมื่อวานนี้ ในเมื่อก่อนนั้นอันนั้นเป็นสติของคนธรรมดาทั่วไปสติอันนั้นด้วยสติสมุูได้มันก็จริงคําว่าสติเนี่ยต้องเข้าใจหรือว่าตัวทุกข์เราก็ต้องเข้าใจตรงนี้ถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้ศึกษาก็จะผิดหลักไปแต่มันไม่ผิดมันก็ถุกแบบนั้นเข้าใจคําคว่าทุกทุกเพราะเรื่องอะไรทุกเพราะคนอย่างทุกเพราเป็นคิดแต่ละคน คนร่าายกับใจมันทุกตอนนี้สัตว์เนี่สัตว์มันก็ทุกข์เพราะผมคิดคนก็ทุกข์เพราะผมคิดทุกข์เพราะเรื่องอะไรมันคิดต่างออกจากข้างนอกเราไม่เห็นมันคิดดีใจเสียใจคิดพอใจไม่พอใจมันออกมาข้างนอกนะมันไมไ่อยู่ที่เนื้อที่ตัวเราถ้ามันอยู่ที่เนื้อที่ตัวเรามันจะได้หวั่นเราลู่เขา้าฐานเหตุการู้โดยธรรมะเข้าใจ ตอนนี้ถ้ามันคิดออกไปข้างนอกเราไม่รู้เขาไม่รู้ทันมันเป็นยังไงผลมันออกมาก็เรื่องทุกข์นั่นเองเราคิดโตเขาไปยึดมั่นถือมั่นเนี่ยทุกข์ออกมาแล้วผลมันออกมาหาทุกข์เพราะสมุทัยทําให้ทุกข์เกิดไม่ใช่ทุกข์ว่าไม่สบายใจไม่สบายใจมันตกผลมันคิดออกไปนี่แหละเราไม่รู้เขาไม่รู้ทันมันผลมันกัดซ้าออกมาให้เลยแล้วทุกข์พระพุทธสอนนง่ายๆว่าเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนของสิ่งเพรว่า ผู้คนมันมีคิดผู้หญิงก็มีคิดผู้ชายก็มีคิดคนไทยคนจินคิดทั้งนั้นมันทุกผู้คนคิดในทางนาจิวะทุกพระพุทธเจ้าทั้งจิวะทุกทุกวันนี้ท่านเรียกว่าสังขารอันสังขารปูนเก็มาอันเดียวกันนี้ถ้าเราไม่เห็นกับทุกถ้าเราเห็นกับปุงไปเรียกน่ยรู้มันได้เห็นรู้เหมือนกับเราที่ว่ารู้ว่าไฟมันเจ็บมันไม่เรา แต่เรายังไปจับไฟให้ไฟไหม้เราจะถือว่าเราเห็นไม่เห็นไม่รู้รู้เพียงคําพูดจดจำกันมาอันนั้นเนีรู้แต่ไม่ปฏิเสธรู้เหมือนกันดังนั้นตัวทุกจริงๆเน่ยตามอุดมการที่เราคิดเห็นรู้เข้าใจสัมผัสแลแ้วแนบแน่นไม่งอเงียงคนแทกใครจะพูดยังไงก็เรื่องของคนนั้นยกให้เขาทั้งหมดเรื่องของเราเป็นเรื่องเรื่องเดียวสั้นเกี่ยงใบไม้ฝมือเดียวเท่า น, นเอง ทีแรกศึกษาให้รู้การเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวิีขึ้นมารู้คนรู้เรื่อว่าอะไรจะว่าอะไรก็ได้จะว่าสติก็ว่าได้จะว่าระลึกได้ก็ได้หรือว่าจะว่ารู้สึกก็ได้คนมันต้องรู้รู้แล้วเป็นอะไรรู้ก็เป็นมรรคมรรคกับรู้อัเดียวกันถ้าไม่มีมรรคก็ไม่มีรู้ถ้าไม่มีรู้ก็ไม่มีสติไม่มีสติก็ไม่มีมรรคพูดเอาง่ายๆเนี่ยพูดออกคนเดียวน่แต่ว่าก็กินกินแค่ตัวเองคิดเห็นอย่างนั้น เพื่อมันไม่มันไม่ถูกกับตาราแต่มันจริงกับตำราแต่คนใดที่มีปัญญาแล้วเอาไปใช้ว่าจริงตาราพูดจริงแต่ตัวพูดนี่ก็จริงเหมือนกันจริงเพราะความคิดเห็นของคนละคนได้เหมือนกันแตุ่กคนทั้งโลกยังเห็นเหมือนกันแต่ไขได้ไหมไม่ได้คำของสมบูราณนี่จริงแต่เราไม่รู้จริงคนนั้นเองวันนี้ทางยาวไกลสําหรับบุคคลพู้ที่เหนือน่อยแล้วก็หกนะักของหนั อยากให้ไปถึงเร็วมันหักอยากรงของหนักมันก็นานถึงเนี่ยมันเ็อย่างนั้นสําหรับบุคคลผู้ที่หาของหนัะเดินมาหลายวันก็เหน็ดเหนื่อยไม่มมมมน่าแต่คนที่รู้ทำเป็นยังไงคนรู้ทำจิตจเราคิดปุ๊เห็นรู้เข้าใจวันนึ่งเราคิดกี่ครั้งเราไม่รูถ้าคนรู้แล้วจริงๆก็เดี๋ยวกันมันจะคิดเรื่อยๆจะทํำงานเรื่อยๆไป ในบัดนี้กับเลยวัดตาสงสารกับผู้รูทํากับคนที่ไม่รู้ทํามันเหมือนกันเห็นจิตใจตัวเองเนี่ยมันนึกมันคิดเห็นร่างกายของเราเนี่มันเคลื่อนไหวเราต้องเห็นต้องรู้เนี่ตอนเล่นอันนี้เกี่ยว่าเล่นฌานฌานเราเข้าไปเล่นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่ามุดหัวเข้าไปนั่งอย่างนั้นมันฌานไม่เหมือนกันเพราะว่าฌานนี่ก็บําเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันทางเองตอนนี้กลางวันเหมือนเดิเราไปทํางานงานมันมากเราทำเป๊ะเดียว มันมันนา น, นแล้วเด็กเพกเดียวเท่านั้นเองกลางวันสิบสองชั่วโงค่ำแล้วห้าหกชัวโมงไปแล้วไม่ทันเสร็จเลยงานเนี่ยจริเพราะเราอยู่ดีมีแรงทํางานอะไรมันก็เลวเข้ากลางวันกลางคืนแบบนี้นอนไปจนหิวนอนไม่พอเลยอย่างที่อจาจารย์นอนพูดว่าจะนอ น, น, อนแต่พักหน่อยนีเพื่นเ่อนมาคุยก็จะไม่ได้นอนก็นอนเทพกเดียวทเท่นี้นเองเี่เดี๋ยวเดี๋ยวก็สว่างขึ้นมาเดียเด๋ยวก็ไป สำหรับคนที่รู้จริงมันเป็นยังไงทางยาวไกลสำหรับคนผู้ที่เพียทานี้คนที่แข็งแรงนะคุยกไปจากสองสามคนก็ตามคุยกันไปมันมีของหนักเดินไปจะแยกทางโอ้ยสี่ดายพูดคำนั้นทางแยกกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะตายนะเราจะไม่ทำให้รู้ทำเห็นทาแล้วนี่ทางสําหรับมันสั้นที่สุดดังนั้นจึงว่าพุกให้รู้จักจริงๆทก ตัวทุกจริงๆคือตัวนึกตัวคิดเราไม่ต้องพูดส ม, มุทัยก็ได้ไม่ต้องเกี่ยวข้องเรื่องคำพูดเขุทัยตร้มเอาไปที่จานน์เองนะตัวคิดนี่แหละเป็นตัวส ม, มุทัยเมื่อเราไม่เห็นมันมันปรุงให้เราดีใจเสียใจคิดโน้นคิดนี้คิดอยากได้คนนั้นอยากได้คนนี้อิจฉาคนนั้นอิจฉาคนนี้อยากได้บ้านอยากได้เรือนอยากได้เตอได้ทำ ก็ดีแต่ปากว่าสอนเขาอื่นมือดาดดึนเหลือลักนักไม่ไหวตบลมจนเองสึกคนเองบ้างไหมสอนคนอื่นได้เราทำได้จริงจะดีกว่าคำพูดของคนโบราณในบ้านหอวงพ่อพวกกันสอนอ เ, เล่นแต่ไม่ได้ดูเรื่องนี้ ม, มากมักคือเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงคนแบบพกุกมักคือเรารูสึกนี้เองถ้าเราไม่มีคนรู้สึกมักนจะมีมากได้ไ มักจึงเป็นข้อปฏิบัติงานปฏิบัติจริงเป็นการปฏิบัติตัวเราทุกคนต้องปฏิบัติตัวเราแปลว่าศาสนาพุทก็ได้แปลว่าศาสนาชิกก็ได้เปลว่าศาสนาอะไรได้น่งเนเรื่องสมบูรณ์อยอสมมุติดีมากยิ่งใบไม้ในป่าจะมาเปรียบเทีบยบใบไม้กับมือเดียวไม่ได้ถือศาสนากอได้ก็ต้องปฏิบัติอันนี้จึงจะเป็นมักจริงๆมักจึงเป็นข้อปฏิบัติเพื่อถึงคนดับทุกข์ มักก็เรารู้สึกเนีคิดมือรู้สึกคิดตารู้สึกมันนึกบันทิดรู้สึกเมื่อเราไม่รู้สึกเรามีมักไม่ไม่ไ ม, ม, มีแต่ถ้อเรามีสติไม่ไ ม, ไม่มีสติจะ่ถ้าว่าเรามีอะไรไม่มีอะไรไม่แต่สติคนละเล็กได้ไม่ใช่อย่างนั้นคือรู้สึกตัวนี้เองมากที่สุึ่งเป็นข้อปฏิบัติปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็ได้เลยนีงเลยแค่เราไม่ได้ทาตามท่านมันก็เลยไม่รู้เหมือนท่าน เัาก็ไปเรียกเอาตานามาถกมาเถียงกันอันนัคนกว่าโกลวัดดึงไปจำเอาตำนานอยางที่พูดนี่ก็คือพุกเนี่ยไม่สบายกายไม่สบายใจอ้าวเรื่องนั้นเด็กเด็กก็รู้อยู่แล้วอยู่ให้ก็รู้เป็นอันตัวทุก็คือตัวสมมุติไทยนี่แหละสมมุติไทยทําให้ทุกข์ไปเพราะเราไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจบทตึงไปกรวัดสังขารตึงแตงยึดมั่นถือมั่นขรุขระฐาน มันผลมออกมากระทุมักเป็นข้อประเด็จมักกับคูณผลรูล้สึกนี่เองท่านว่าจงมีสติจงมีสติขณะผลทุ น, นจะรู้สติก็ได้รู้สึกนี่ท่าไม่สติแล้วไปยังไงพ้นไปจากผลทุกอันสติเราผู้ได้มันมาเอาผลรู้สึกมันจะเป็นมักอันมักกับสติเป็นอันเดียวกันได้พูดำคำตั้งผลไม่มีมักก็ไม่มีสติ เมื่อบรรลุเมื่อมันเห็นรู้เข้าใจสัมผัสแนบแน่นกับสิมันมันก็ไม่ปุ่งโทสโนฮะโลพะอย่างที่เรานั่งอยู่นี่นะไม่มีใครโกรธเลยนั่งสบายไม่ได้โกรธแค่เดี๋ยวนี้นี่ไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธนะแล้วท่นะมันโกรธเป็นยังไงเริ่มโตแต่เนี่ยแน่น่แน่เราจะถือว่าเรามีสติไหมไม่มีสติเลยไม่รู้จะควรโกรธได้แต่มันไม่มีจะมันมี เราก็รู้โอ้สิ่งนี้ชั่วแล้วไม่ต้องมาใชยแล้วมันก็หมดเรื่องกันเลยผลไม่มีมากมักจะเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ถุงผลแบบทุกนี่ไม่ไกลอย่างเช่นสมาธิคําสอนทั้งหมดเลยแปดโมงสี่พันพระธรรมคันจะบรรจุลงเท็ดดี้เองจ้ะใบไม้กับมือเดียวได้จริงๆถ้าเราไม่รู้ใบไม้กับมือเดียวแล้วมันจะไม่รู้จริงๆในเรื่องนี้นะจนเราพูดได้ใบไม้กับมือเดียวบัณฑิชานจะเข้าไปรู้ฌานหมายถึงอะไร ทางก็หมายถึงโมนีเองสามก็หมายถึงพ ห, ห า, หาหนะผนส่งอะไรเรก็พูดกันอย่างนั้นแล้วคนทส่งเนี่ยไม่เช่คนเองพระพุทธเจ้าไปถึงเน่ยท่านเดินไปนี่ไม้คือท่านถึงด้วยขนิดของท่านเองของเราเรคยได้ยินว่าพระพุทธเจ้าจะจะรู้เพราะการบำเท็ญดังจิตนี่แต่เราไม่รูว้วิธีทําดังจิตนี่แหละบางคนกักษาอัตมาไม่ได้โกหกนักกักษาดีดีดยังไง ถ้าเรามีของเอาไว้อยู่ที่นี่นะ่ะเดินทางอยู่ถนนมีทองคําก็ได้มีสร้อยคออะไรก็ได้เนี่ยมีคนพูดให้ฟังใส่สร้ยคอมากๆเลยเป็นนั่งอยู่ถนนอาจจะมาคิดว่าไม่ควรคิดมันสร้อยคอจะหายจริงๆเพราะหลับตาเนี่เขาจะมาบุญเอาไปเลยด้วมีทองคําเนี่ยอะไรก็ไปนั่งอยู่ที่นั่นนั่งหลับตายมีเงินมา ก, มากๆเขาจะคืนมีหมดเลยแล้วมันให้คุณหรืมาให้โทษมันไม่ให้โทษแล้วก็แล้วไป ถ้าแมา่เป็นนักเล้วไปคิดเอาเองก็ได้เลยไม่ต้องให้คนอื่นสอนสถ้าเราลืมตาได้ไปเนี่ยเอาเดินข้ามถนนก็ดีถ้านั่งหลัตายูมันลดชนจริงๆหลับตาขานถนนไม่ได้เนี่เป็นไหถ้าเราลืมตาขานถนนได้ไหมถ้าเราลืมตาเดินไปคนจะ ม, มาช่วเอาสร้อยคอแล้วอ่ะไม่ใช่สร้อยคอของคุณนะเดือกเรียกตำรวจา ม, มาจับเลยเรามีเงินเยอะเนี่ยนั่งอยู่เดือดกลังจะซื้อของขายของแล้วก็มีอาวุธปืนอีกสักเดือนนะเอาไปคุณถูกที่ตรงนั้นเลย มันก็ดีอย่างนี้มันดีคนละเรื่องแต่มันดีเหมือนกันอันนี้เราจะาหลับตาก็ได้ไม่หลับตาก็ได้ทุทโทก็ได้อะไรก็ได้ถ้าพุทโธรู้ก็ดีถ้าพุทโธไม่รู้ก็ไม่ดีอันใดดีทั้งนั้นอาตมาไม่ได้โฟกักว่ามันไม่ดีแต่เพาะตัวเองเคยทํามาแล้วก่อนที่จะทําพ่อไม่รู้เมื่อไม่รู้เราจะบอสอนคนจริงได้ไหมมันก็สอนไปตามตำรานั่นเองแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องพูดเลยวอาตมาจึงพูดในเรื่องเดียร์ธา คำสอนมันมีเรื่องเดียวเดียววันนี้ก็พูดเรื่องนั้นพูนี้ก็พูดเรื่องนั้นมันไม่ใช่ของจริงแล้วเพราะว่าหลอกลวงตนเองและหลอกลวงคนอื่นเขาจรงว่าพิ ก, กสุลาเมฆสันดาล น, นกกาหมาที่เลือนหูเพื่อนที่ลูกนอกเคอะผู้อยู่นอกบันเีปาา่าท้าผีดิบน้ำติกลาล่างข้าวไม่ใช่ของเราพิกสุแก้คนแกแนวโมฆะบุรุษใจไม่ได้ดาบหมดในจีวร แต่เราไม่เข้าใจคำพูดเร น, นึกว่ามันเป็นคำว่าเล่นจนเมื่อมาปฏิบัติธรรมแล้วมันเป็นคนจริงคนบูราณเขาไม่ได้สอนกันมาก